พลังวะพลังนัไตคือพระพ <c oughs> ุติพระธรรมพระสงค์โอ้นมตการหลวงพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกทุกานทุกทท่านทุกทุกท่าุกทกทานทุกทุกทานทุุกทายกาทุกท่านทุกท่านนทุทุกท่านท่านท่าน ผมคนแก่แล้วไม่อยากพูดออกธรรมะไปไหนก็ฟังแต่แต่คนอื่นพูดไปกับหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้พูดอกมีแต่มีปังฟังตั้งตงแต่ท่านพูดให้ฟังจนไม่พูดไม่เป็นอลยแแต่ธรรมะเนี่ยแล้วก็ถูกผิดถูกก็ให้ดูเอาเพราะว่าคนแก่มันไม่เหมือนคนหนุ่มหรอกนา้ํา น้ำน้ำแน่นมือปู่น้ำหน่อยน้ำมือแหลมอมันปูลงปูปูลงไปแต่นละมันคือมันมีไม่มีแหลมไม่มีคมมันปูมันไม่มีคมเหมือนกันอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างแจกออกมาแล้วก็ทำรุดทุดโทมไปเป็นธรรมดาเป็นของนิวเที่ยง์เป็นของที่ได้เสละได้ตาละได้ประโยชน์ นับเบอรตกียมลงไปเรื่อยๆไปดีแล้วพวกเราที่มาพูดปฏิบัติเนี่ยให้เราได้เข้าใจอย่างอะไรมีแต่พิจารณาไปทั้งหมดหลายอย่างที่หลวงพ่ออาจารย์ท่านพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันให้เรามีสติปัญญาให้เรามีพิจารณาในการกระทำของเราหรือมาอยู่ที่นี่คือมีแต่สิ่งที่ ดูทั้งหมดนั่นแหละประพฤติปฏิบัติไปอันใดก็มีแต่เป็นผลประโยชน์สิ่งที่ไม่ดีก็มีสิ่งที่ดีก็มีบอกไปหมดเพราะฉะนั้นเรามาที่นี้ก็คือให้เป็นผู้รู้นั่นแหละทำอะไรให้รู้ทาอะไรให้รู้รู้แล้วก็เราพิจารณาไปเอาอย่างที่สวดมานี่แห <c oughs> และเนีพวกปีใหม่นี่ก็ ที่เราประพฤติกันมาจนมาแต่ถึงถึงปีใหม่แล้วถึงปีเก่าท้งปีใหม่เราใช้มาก็เป็นปีเก่าไปแล้วทั้งโศกทั้งเศร้าทั้งดีใจทั้งเสียใจสารพัดทั้งจะเกิดขึ้นมาเราก็ยังไม่รู้ล้วปัจจุบันที่มาโลกใหม่ๆนี่ก็จะรู้จักว่า ต้องมาใช่อ่สติปัญญาของเราเนี่ยแหละเรากินไม่เจมาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่ฟรีๆไม่มีอะไการได้เสียอะไรทั้งหมดเพราะคนที่อยากเสียก็มีคนที่ไม่อยากเสียก็มีเพราะไม่เพราะว่าไม่ได้จากัดการเวลาอะไรทุกอย่างไม่แล้วก็ไม่ต้องต้องการต้องอยากจะให้ญาติชมนั่นแหละ มาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจในชีวิตจิตใจของตัวเองว่าของเก่าของใหม่สิ่ที่เราใช้เข้ามาตั้งแต่ก่อนนั่นเป็นของเก่านะครคือของที่ดีใจบ้างเสียใจบ้างความโศกความเศร้าความวม่นเหงาเศร้าซึมอะไรทุกอย่างมันมีมาแล้วก็เราก็ตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็ได้ไปยึดสิ่งนั้นบ้างยึดสิ่งนี้บ้างทั้งทุกข์ทั้งสุข ทั้งดีใจบ้างทั้งใจใจบ้างไม่เป็นปกติไม่เป็นที่พึ่งที่อาศัยก็มีให้เราเอาทิ้งไปซะให้มันไปอยู่ในของเก่าให้หมดของใหม่ๆนี่ก็ให้มีสติปัญญาดูมันไปทําอะไรอะไรก็ให้รู้จักให้มีสติปัญญาสัมปชัญญะความรู้ตัวอย่าไปทาําเสียตะโกนหรฟีทั้งหมดเลย ทำอะไรก็ฟรีจะเดินจะละจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนมีแต่ฟรีทั้งหมดเลยจะกินก็กินจกเล่นก็เล่นากพูดก็พูดพูดสารพัดเอาแต่จะมันจะไปเอาแต่เขาอยากพูดกิตใจเราก็ไม่เห็นไม่มองเห็นล่ะทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งอะไรสารพัดบัดนี้เราจะเอาแต่ของที่ดีๆทิ่งที่สะอาดทิงที่สงบทิงที่สว่างกิดกวงใจทําไม ทำใช้กิตแตงของเราโสกเส้าโ ส, สกเสียใจนั้นจะให้มันไม่อย่าให้มันมีใครว่าอะไรก็ให้เราดูไปอย่าไปถือสาหรือการกระทำอะไรก็เหมือนกันมันผิดมันถูกเราก็อย่าไปวิพากวิจารมันให้เราทราบมีสติรู้แล้วก็รู้แล้วก็ลแ ล, กล้วไปรู้แล้วเที่ยงไปไม่ว่าพบหมูพบพัก หรือพอทำการคำตนตัวของเราก็เหมือนกันเป็นแล้วก็ให้เราเข้าใจในกีวิตจิตใจของตัวเองแล้วก็จิตใจของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆนั่นอยู่กับใจของเราทั้งหมดถ้าใจไม่ดีไปถึงแม้เราจะมีเงินมีทองมีเข้ามีของอะไรมากๆอย่างที่เราพัถนาไว้อันนั้นมันก็ยังไม่ดี ข้าใจของเราไม่ดีมันยังเศร้ายังหมองยังโศกเศร้าอยู่สิ่งที่มันมักดองในสันดานของเราก็ไม่รู้จักถอดถอนออกอย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้ต่อไปเราก็ให้รู้จักให้ตัวอยู่ในขณะปัจจุบันมันเคลื่อนไหวไปที่ไหนบ่ายยังไงก็ให้เรารู้จักกำลังจะทําการทํางานทุกอย่างก็ให้รู้จักรูปทำนามทำรูปทำก็คือขายของเรานั่นแหละมันทําการทํางาน จิตใจของเรานามธรรมก็คือตัวรู้สึกนั่นแหละเคลื่อนไหวไปมานี่นก็เป็นรู ป, รปทำนามธรรมอยู่ด้วยกันคนนึ่เคลื่อนไหวคนหนึ่งรู้ไปเรื่อยๆเรื่อๆไ ป, ไปถ้าเราอยู่กับตัวนี้เราก็จะมีความสุขสีนธมรมะปัญญาก็เกิดดูที่คือความเปลือกเปกความตั้งใจมั่นให้เราเข้าใจอย่าไปหลงทิ่งไปไหนข้อให้ตั้งใจไว้อยู่กับ การปัดพื้ปฏิบัติของเรานั่นแหละนี่ให้เราเข้าใจมาที่นี่คือมาคัดเรียกเอาสิ่งที่สกปรกทั้งด้านกิวิติใจของเราออกไปกันถ้าคิวิติใจของเราไม่ดีการกระทำของเราไม่ก็ดีไม่ก็ไปเหมือนกันเพราะว่าทำออกไปจากกิจจากใจทำอะไรจะพูดจะคิดจะทำอะไรขึ้นก็ออกมาจากกิวิติใจของเรา ถ้าได้มาฝึกแล้วก็เราก็จะให้มันอยู่ในขณะปัจจุบันขณะขณะที่มันเคลื่อนไหวที่มันโดยวิธีใดแล้วก็ต้องทําต้องดูไปเรื่อยๆไปมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากเราจะมาดูความเกิดเมื่อไรไปทุกเมื่อนั้นความเกิดเมื่อใดไปิดทุกเมื่อนั้นทุกเมื่อไรก็ไปทุกเมื่อนั้นก็คืความคิดของเราเานี่แหละเราประยึดมั่นถือมันในสิ่งนั้นสึ่งนี้แับนี้เราก็ มานี้เราก็ให้พยายามดูในขณะปัจจุบันมาแก้ในขณะปัจจุบันมันผิดเราก็ให้แก้ในปัจจุบันนี้แก้แล้วก็แล้วไปเป็นอดีตไปแล้วก็อย่าเามาคิดอีกอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปเอามาคิดถ้าจะทำอะไรก็ทำคิดด้วยสติปัญญาของเราแล้วก็ทำไปให้มันเสร็จอย่าไปเอามันเก่าไปแล้วในชีวิตที่เรา หายใจออกเพราะนั่นเป็นอดีตไปแล้วในขณะปัจจุบันขณะที่มันอยู่ในนี่แหละหายใจออ ก, กอยู่นี้หายใจเข้าข อ, อยู่นี่จะทำการทำงานอะไรเราก็รู้จักไปตามการเคลื่อนไหวของตัวเองไปเรืเ่อยๆไปแล้วก็มันก็สบายแล้วก็อันดีก็ไปยึดติดมันทำแล้วก็แล้วไปอันชั่วก็จะไปยึดติดมันทำแล้วก็แล้วไปให้ในอยู่ขณะปัจจุบันนั่นแหละอดีตกับอ น, นาคต นี่มันก็เป็นสิ่งที่ทมาลอจิตวิตจีตใจของเราออกนอกไ ป, ไปเรื่อยๆไปถ้าเราไม่รู้จักปัจจุบันนี่มันก็จะออกไปอยูงอย่างนั้นแล้วก็เกิดมีความคิดอะไรเกิดขึ้นไปเอาของเก่ามาคิดมัน ม, มันมก็ไม่ดีให้คิดแต่งแ่ในปัจจุบันนี่แหละแก้แล้ในปัจจุบันนี่ก็ไม่ต้องเอานั่นแหละเราให้เราพยายาม มาดูตัวเองนั่นแหละจิตใจของเราให้มันสว่างสวายใ้มันสะอาดจะทําอะไรก็ให้มีสติแล้วก็แก้ในขั้ตอปัจจุบันไม่มีสิ่งที่จะเอาถึงดีมันก็ไม่แน่นอนถึงแย่มันก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนตั้งอย่างเดียวอันที่อันที่การกระทําของเราอยู่เดียวเท่านี้่ที่ใจดีเนี่ยก็ประเดี๋ยวมันก็ไป คิดตออื่นมันก็เอาอันอื่นมาคิดเรื่อยๆไปขันธาเราตั้งตติเนี่ยมันจะคิดถึงในนี้ให้เราเราดูกิดจากของเรามันหมุนเข้าไปทางไหนก็รู้จักเนี้ ย, ไ, ย ไ, ไม่ต้องไปสร้างพบตั้างแคสอีก<ป>ต่อไปก็ไปตั้งแต่ตตความสบายสบา ย, บายให้ลดหย่อนผ่อนพันตัวเองนั่นแหละอย่าไปเอาอะไร ไม่มีสิ่งที่จะเอามีแต่สิ่งที่ดูดูแล้วก็ปวดปล่อยไปดูแล้วก็สิ่งที่ปวดไปปล่อยไปที่เป็นทุกข์นั่ก็คือเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีนั่นแหละสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าคนนั้นดูถูกนินทาเป็นของที่นอกที่หมักดองอยู่ในกิตใจของเราในทำให้กิจใจเราเศร้าหมองเองเราทำเองหมดนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยให้เรา มีสติอยู่ในปัจจุบันจริ่งในที่มันเดี๋ยวออกออกมาเนี่ยให้เราพยายามปล่อยออกนี้เราจะเราจะไปเป็นผู้เป็นอมันออกไปมันก็กลายเป็นความคิดนั่นแหละคิดดีคิดชั่วคิดอะไรมันก็ไม่เที่ยงสักอย่างหรอกปเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเรามีตาหูจมูกนิ้วไก่ใจรูกสังกินรสผักผลไม้อรณถชนะอรยานทะนนอกภายในมันกระทบกันแล้วก็เป็นผู้เป็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมัน นมีสีมีอะไรมาย้อมเราก็ไปติดเนี่ยทีก็มีความพอใจความไม่พอใจไปนั่นแหละก็บิพาควิจารไปเรื่อยเรื่อรื่เรื่อยไปถ้าเราเ<ๆ>ไม่เข้าใจ<ถ>ดูตัวเองนะถ้าเรารู้เข้าเข้าใจแล้วก็สองสิ่งสิ่งเหล่านี้มันมากระทบกันแล้วมันก็เปลีาา่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่อยืไปก็เป็นอารมณ์ของเราดีบ้างรักบ้างชังบ้าง อยากได้บ้างเบื่อหน่ายบ้างสารพัดจะมันจะเป็นไปมันไม่แน่นอนมันให้พยายามให้เราเขาดูเขาดูตัวเองไม่มีใครจะเห็นกับเราหรอกมีแต่เเราเห็นเราคนเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปดูคนอื่นคนอื่นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราเนี่ยจะทำอะไรก็ให้รู้จักในขณะปัจจุบันที่เราพูดเราคิดเราทาให้เราพยายามทำไปแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆไปนั่นแหละ ถ้าเราเห็นแล้ว instant, เห็นตามความจริงได้ยินก็ดีินตามความจริงมันก็มีแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีมันก็เป็นอยู่นั้นจะดูตัวเองแหละมันไม่จะพูดไปสิ่งใดก็ให้รู้จักแก้มาแก้ตัวเองอไม่ดูตัวเองไม่ใช่ว่าให้ไปดูคนอื่นเราเป็นทุกข์เป็นอะไรเป็นตอบตนบุ่นวายเนี้ยก็เพราะว่าเราไปไปไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรตาพัดท่านั้นไม่จะเกิดขึ้นมา นั่นแหละมันทุกเกิดขึ้นน่ะทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมล้วก็มกีเป็นเป็นอยู่กับผมคิดเรานึกคิดขึ้นมานั่นเองนั่นแหละให้เราเข้าใจในรักษาให้ดีปัจจุบันดีเมื่ก็ดีถ้าปัจจุบั น, นไม่ดีเมื่อก็ไม่ดีตายไปเมื่อไม่ดีดสิ่งที่มันจะพาเราเป็นถุ ก, น, ถกนั่นก็คือเรามาทํำอะไรนี้มาทําะไเนี้ยมาอยู่อยู่ในขณะที่เราเป็นคนอยู่เนี้ยเรามาคัดเรียก สิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็นสัตว์นรกเป็นเป็ดเป็นอสุรกายสิ่งที่มันนอนแช่อยู่ในขี้หมูขี้ม้าขี้เป็ดชื่อไห่อยู่นี่แหละอยู่นอนําอยู่ใกล้ๆกพื้นที่ดินของเราเนี่ยนอนเสียนอนน้ํานอนที่เน่าที่เหม็นก็คิดความคิดของเราเนี่นไปคิดเรื่องนั้นขึ้นมาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นอยู่นั้นี่ยเนี่ภาษาของธธรรมภาษาของชาวบ้าน เราก็ไม่รู้จักเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันภาษาโอ้คนนี้เป็นภาษาของชันของชาวบ้านมันเราจะไม่พูดเราจ ะ, เ, ะเราจะไม่คิดเราจะเอาแต่เดียวแต่แต่ เ, เนี่ยภาษาของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไปมันก็มีความตังบเรื่อยๆไ ป, ไปมีสมาธิมีศีลมีปัญญาเกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆมันก็เกิด ขึ้นอย่างนี้แหละแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปสร้างพบสร้างชาติแล้วเรียกชาติเกิดได้เกิดเรียกพบเรียกพบเกิดได้ฝันดีฝันไม่ดีเราก็รู้จักฝันลงไปเนี่ยเรามีสติแล้วเราจะเห็นความฝันของตัวเองเราก็พอเห็นนี้เราก็ไม่กล้าทำไม่กล้าทาไม่กล้าลงมือไม่กล้าพอใจกับในสิ่งนั้น แล้วก็ไม่ต้องเปต้องไม่ต้องโกรธไม่ต้องเสียใจสิ่งที่ไม่ดีแล้ว ก, ก็รู้จักถึงที่ดีแล้ว ก, ก็รู้จักมีสติรอบครอบที่นอนเราก็ยังรู้จักอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเรายังฝันไปตามความฝันอยู่เนี่ยเขยังสร้างภพสร้างชาติอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับเรานั่งอยู่ไม่นอนไม่หลับนี่แหละมีแต่จิตใจ ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบแล้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรืๆเื่อ ๆ, ๆ, ๆ, ๆไปมันก็ลืมตัวไปเนี่ยพยายามให้พยายามเนี่ยให้ดูอาการของเราจิตใจของเรามันนึกมันทิศไปไหนนี้ก็เราจะไปลืมดูใจของเราเนี่ยแหละเวลาเดินไปคอยดูใจของเรากายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเห็นเห็นแล้วก็เลี้ยวไปเห็นแล้วก็อันใดดีอันใดไม่ดีไม่มีสิ่งที่แน่นอกเราก็อย่าไปเครียดมัน ให้มาดูความรู้สึกเนี่ยเห็นตามธรรมดาโอสัญชาติตายาทของเรานี่มันเป็นอย่างนี้เด้เนี่ยมันอยู่เฉยเฉยมันไม่ได้มันคิดเรื่องนั้นบ้างมันคิดเรื่องนี้บ้างแล้วก็เอาไปเป็นความโผนฝันเอาไปเป็นความคิดฐานพระธมเนี่ยมันจะเป็นเนวันนี้ให้เรารู้จักเอารู้จักหาเรียกใช้เอาสิ่งที่ดีที่ชั่วมันอยู่กับเราทั้งหมดเนีมีท่านนี้ก็ขอหยุดอิทเิียง์ตอนนี้ให้หยุดญาติโยมทุกคน ยงตั้งหกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เขาถึงความสว่างสะอาดสงบในก า, ารกันด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิน